ฝังธรรมกันเนาะเราก็มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่าตอพระธรรมคำสอนต่อวิธีปฏิบัตินี่พระทานตาย บนที่พึ่งอันเกษมบนที่พึ่งอันสูงสุดพวกเราอาศัยสรัท า, ศ า, ศานี่แล้วจึงพ้นจากทุกท้องพวงได้เพราเราก็ออกบวดมีสรัทาออกบวดจากเดือนไม่เกี่ยวข้องรือชีวิต เป็นาคาลิกะบุคคลไม่หวีบ้านไม่ไปเรื่อนสะดวกสบายในการปฏิบัติการเลี้ยงชีวิตอาศัยท ร, รมเาเป็นในอิทธบาทนุ่งห่มผ้าบังสุกุล อยู่ตามคนม่ไงก็ได้ตามท้ำตามภูเขาตามเพิงตามกฏิตามสลาตามโบสถ์วิหารก็ได้แล้วก็มีครูอาจารย์มีผู้บอกผู้สอนเป็นตัวเป็นตนได้ยินทางหูอยู่ด้วยกันทำให้ดูอยู่ให้เห็น มีหลักมนฐานได้สมผัสกับคำสอนพาให้เราได้ปฏิบัติตามอ่าสอนขอครูอาจารย์และมีสิทธิ์ที่มีครูอาจารย์บอกสอนเราไม่มีวิธีปฏิบัติ เราก็ทําตามครูสอนนั่นได้สัมผัสกับรสประทบ้างกับความผิดความถูกที่เกิดขึ้นกับกายกับใจในสินจังจังในคาพูดในสัมผัสมนทําได้สัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นถูกบ้างผิดบ้างเราได้ประสบการณ์ได้บทเรียนเพราะเราทําตามครูอาจารย์สอน เราจึงรู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้จักบุญรู้จักบาปในพบกุศลหลงกุเทียนจังจ่าในชีวิตนี้ในพระกวาจานผู้รุษธาตุเจ้าคุณผู้รุษธาตุจังจ่างทิมตัวลงกับลูกศิษย์ หลวงปู่เทียนเตื่ยมตัวเป็นลูกเชิดอาจารย์พุทธทาสเจ้าคุณพุทธธาสอย่างจริงจังหมดเนื้อหมดตัวเราทำตามครูศอนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทำใม้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปงได้เรามีสิทธิ์ที่มีครูจริงๆนอกจากนั้นเราก็มีคุณพ่อคุณแม่ จะให้กำเนิดเกิดเรามาให้มีชีวิตหนึ่งทำความดีได้รับความชั่วได้กายมีใจจนเครื่องมือความชั่วความถูกความผิดเกิดขึ้นใีกายที่ใจนี้ในเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นใีกายที่ใจนี้จะมีส ต, ติรู้สึกได้มีวิชากรรมาฐาน ที่ตั้งแห่งกรรมกระทธรรมได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกรูปทุกแบบเกิดกับกายกับใจแล้วมีสติเป็นตาภายในเป็นหน้าโลกกลาเนื้อเราก็มีหูเราก็มีจมูกด้วยในกายใจได้ต่อกับโลกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรา เราได้มีสติได้มีวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องมาร่อยให้เป็นดีมาผิดให้เป็นถูกเพราะปฏิบัติตามคำสอนของขาาั้วจรตามสอนของพระพุทธเจ้าการทำที่มีจริงความเท็จความจริงเราได้สมผัสที่เหมือนเกิดกับกากับใจทุกคนเห็นเอง สะดวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนก็สะดวกผู้บอกผู้สอนก็สะดวกไม่ต้องไปโคชนาให้ันได้หลงว่าจะได้ผลประโยชน์ไม่ใช่แบบนั้นโคชนารือบอ ก, กความเท็จความจริงให้คนได้สัมผัสลองดู เราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าท่านปฏิบัติดีท่านก็ดีเองเราไม่ได้ดีด้วยผู้ปฏิบัติดีถ้าท่านปฏิบัติผิดเราท่านมีทุกข์ท่านก็ทุกข์เองเราไม่ทุกข์กับท่านนี่คือหลักความจริงถ้าเกิดความดีเกิดขึ้นกับชีวิตหลายชีวิต ก็มีผลกระทบต่อความดีที่เกิดขึ้นต่อโลกต่อเราด้วยทำให้เราได้มีเพื่อนมีมิตรกันนิยาณมิตรที่ดีเกิดขึ้นในโลกก็จึงเป็นงานชอบขึ้นมาผู้ที่มีศรัทธาออกหัวจากเดือน ใชชีวิตเป็นดังคาบบคลีกะบุคคลเพื่อสอนเพื่อบอกด้างนี้ไม่มีลูกไม่มีเมียมไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนเองได้ทำงานเรื่องนี้เต็มที่มีอาชีพแบบหนึ่งที่ว่านกบวชเนี่ยเลือกอาชีพอย่างนี้เลือกชีวิตการใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ในโลก เพื่อจะได้เกิดความสะดดในการทำหน้าที่แล้วก็มีทำไม่ไหนเราอาใช้ทำไว้ไหนเรี่ยงชีวิตก็มีคนเห็นด้วยกจจิดจตนาหรือว่าโบริสัตตังจีอุบาสบากา ที่ได้สัมผัสกับรถบรรมสําดามก็มีความสงบสุขบ้างได้เป็นสิ่งที่เจ็นชีวัดให้เราได้อยู่ร่วมกันทำหน้าที่ได้ดีปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนสามความถูกต้องชอบธรรมในความสงบร่มเย็นด้วยกัน เราไม่มีวิธีใดที่จะบอกจะสอนก่อ น, นเรื่องชีวิตต้องมีวิชากรรมฐานเท่านั้นผู้ที่เลือกไปชีวิตที่ประเสริฐต้องฝึกกรรมฐานมาใช่เอาเงินเอาทองมาชื่อเอาเงินนัน่นเงินแสนเงินเท่าใดก็ชื่อเอาไม่ได้ต้องมีการกระทําเอา เรากายไปทำวใจไปทําความดีแต่ว่าอาริยสัพือมกผลนิพพานมันจึจะมีข้าชีวิตเนื้อการเกิด เ, เจ็บเจบตายจบเท่านี้ชีวิตไม่ใช่อันอื่นแม้เราจะไม่เงินไม่ทองก็ช่วยไม่ได้ โดยเจือเจ็บตายเอาเงินชื่อไว้ไม่ได้ชีวิตก็เป็นที่ชีวิตที่เป็นเกานตัดสินนะแล้วต้องตายหรือว่าพวกเราเป็นนักโทษประหารความแย่ความเจ็บความตายพวกเราควรจะต้คิดถึงเรื่องนี้ ได้คิดถึงนี้เพื่อจะให้เหนือหลังเคย เ, เจ็บได้ต้องปฏิบัติกรรมฐานเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นวิชากรรมฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนได้เป็นดีได้สิ่งที่เกิดขึ้นเกิบกายก็ใจโลนี เด่วว่าวิปัสสนาลู้แจ้งอย่างที่เราสาแทพระสูตร์อาเรียมากไปปเปิดทีด่จะดีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้ที่จะดีมั่งมอ่ให้คนได้ปฏิบัติตาม เรื่องเกิดจากคนสมัยโบราณ 2,600 ปีมาแล้วจริงขนาดไหนมาพิสูจน์ดูถ้าปฏิบัติตามหลักที่ดีที่เป็นพุทธศาสนาจะเพิ่มจะตัดไม่ได้ ตัดไว้ดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลไหนมาล่มล่างอีกหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติเลยสะดวกเป็นความสะดวกไม่ต้องคิดค้นอะไรอีกที่ทางไวแล้วบอกผิดบอกถกไวแล้วแล้วเมื่อเราได้มาปฏิบัติ มีความเห็นชอบเกิดขึ้นเป็นรุ่งอรุณของชีวิตความรู้อันใดที่เป็นควบรู้ในทุกเห็นความรู้อันใดที่เป็นคู่ในทางเหตุที้เกิดทุกได้เห็นความรู้อันใดนี่เป็นความรู้ที่ทำให้ทำทถึงความ หลุดพ้นแห่งทุกข์วิธีปฏิบัติแทางการหลุดพ้นแห่งความทุกข์นั้นมีพร้อมเฉ็จจึเรามาสัมผัสกับสติเห็นสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจได้เห็นได้รู้มันหลงก็จะได้รู้นี่ได้ปฏิบัติตกอมหลงแล้วถ้ามีสติถ้าหลงเป็นหลงไม่ได้ปฏิบัติ ปล่อยทิ้งไว้ในการในใจให้ขมหลวงมาย่อมกายย่อมใจถ้าปฏิบัติเห็นชอบถึงก็มาได้มาย่อมเห็นมีสติถ้าสติได้รู้แล้วก็ถือว่าทำแล้วมีกรรมเกิดขึ้นแล้วกรรมดีเกิดขึ้นแล้วละกรรมชั่วแล้วทำกรรมดีแล้วในคราวเดียวกันนอน เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เดยไม่ไม่ต้องทําเหตุอีกนั้นแล้วที่จริงที่เป็นทุกข์ได้ปฏิบัติต่อเหตุนั้นเป็นเป็นทุกข์ทำได้แล้วอย่างนี้แล้วก็เป็นการเห็นชอบมันก็แล้วไปแล้วหลายอย่างบูกเปิกไปแล้วเนี่ยทำแล้วผมก็รู้หว่ามันแล้ว มันเหมือนการทำมันอื่นประโยชน์ที่มันแล้วเกิดขึ้นทีกายที่ใจให้เป็นพระอีกต่อไปไม่เหมือนกับคู่ไม่ปฏิบัติหล่อมหลงก็หลงแล้วหลงอีกความไม่ธรรมลงทุกข์ก็ทุกข์เรื่องเก่าทุกข์แล้วทุกข์อีก กอโกรธก็โกรธเรื่องเก่าโกรธแล้วโกรธอีกป่อยที่งไว้มันก็ติดได้เป็นนิสยัยเราจึงมาปฏิบัติปฏิบัติก็คือมาดูแลกายใจนี้ปัญหามาโกิดที่กายใจนี้การแก้ปัญหาก็แก้ที่กายที่ใจนี้โดยมีสติ มีวิธีปฏิบัติให้ถึงความรู้สึกตัวเมื่อมันในมันมาเพิ่มกันในความหลงไม่ความไม่หลงปฏิบัติในความทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์ในปัญหาก็มีปัญญาก็เป็นสิ่งที่รีบด่วนพอจงควรสิ่งที่เกิดขึ้นกับปากกับใจนี่ หลงเป็นหลงมันก็ไม่อยู่แค่นี้ไปถึงความเจ็บ ค, ja e, ความเจ็บความตายในความพุบในชาไปก่กอย่างเดียวไม่พอไปก่อไปเกิดไปเจ็บไปตายอยีกนใจก็เอาใจใจไปเจ็ไปเจ็บไปตายอีกเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดต่อ ไ, ไปอีก รว่าสังขารวิญญาณติบไ ป, ไปมาดีก็เป็นไล่ไปมามืดก็มืดไปแล้วปฏิบัติมาไล่เป็นดีมามืดไปสว่างอยี่ยดการกระทัทงของตัวเราเองเนี่ย ชีวิตผมก็มาะช่วยชดในงารงานอย่างนี้เราได้ประโยชน์จากอาจากจากรูปจางนา้ทำทําให้ความดีที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเกิดขึ้นที่รูปที่ น, น้ำนี้รูปน้ํานี้มันก็ไม่เป็นรุ่นเหมือนก้อนธรรมดาเท่านี้ไม่มีเครื่องมือที่ทําความดียเยอะแยะ แเราก็มีพ่มีแม่มีพี่มีโ น, โน้องความดีจะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งวัตถุหนึ่งที่สองที่สามาก็เป็นที่พึ่งมาใชา้กันได้ต่เราไม่ปฏิบัติมใจก็มาลงโทษตัวเองทุกข์โคตใจ ความคิดก็พายเป็นทุกข์ได้ให้ความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นที่จิตใจยื้อไปไหนก็ได้ยื้อไปสู่อบายเป็นในสู่นรกก็ได้ไปสู่เปรก็ได้ไปสู่ดิลฉานก็ได้เกิดจากใจเนี่ยใจพาไปก็มันมีวิญญาณ มันคิดแลวได้จิตได้ทุกอย่างจุมเอาได้ทุกอย่างติดได้ทุกอย่าง่อนมากถ้าเราไม่หัดมันก็ติดเอาความชั่วมากที่สุดเห็นไหมว่าเราเมื่อปฏิบัติว่าจะมีสติไปในกายมันไม่มีแล้วมันจิตพาคิดไปที่โน่นที่นี่ เหมันเคยไหลไปไหลไปสู่สิ่งที่มันเคยมีเคยเป็นเหมือนกันน้ำไหลาจากที่สูงสู่ที่ต่ำไบทางต่ำเลยง่ายถ้าจิตที่ไม่เคยฝึกเนี่ยอ่านฝึกมั น, มนก็ทวนขึ้นมาไปทางสูงเห็น ทุกไปทางสูงเห็นหลงไปแบบสูงสูงเห็นความโกรธไปแบบสูงสูงก็เป็นทุกไปทางต่ำเป็นผู้โกรธไปทางต่ำเป็นผู้พอใจไปทางต่ำเป็นผู้ไม่พอใจไปทางต่ำ อย่างที่เราสาธยายพูดสัมมาสติมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำมาตาปิสัมพชาโลสัติบาวม่นายโยเกอพิชาตัวประสงหอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้นี่วิธีปฏิบัติเราก็ว่าได้อยู่แต่เราไม่เอาไปทำเมื่อเราทำมันจะเข้า เข้ได้เข้าเฉมบามันหลงไปก็รู้ขึ้นมากับกรรมฐานกรรมฐานช่วยในที่ตั้งในที่ยืนกลับมารู้จักตัวหลงไปกลับมารู้จักตัวนั่งกู้แขนเข้าลั่งเหยียดแขนออกอยู่นี่กลับมารู้จักตัวเนี่รักอย่างนี้ เอาความคิดไปแก้ความคิดนั้นไม่ได้ไม่อยากคิดมันค็คิดต้องาอาศัยกรรมาฐานไม่มีที่ตั้งของกรรมธรรมาประกอบบันี้บันดึงไปโน่นกับมานี่ปฏิบัติแค่นันกลับมาตั้งไหวกลับมาลู่กลับมาลู่กลับมาลู่เลยเปลี่ยนความหลงเป็นควมลู่ข้างแล่าข้างเล่า โดยเปลี่ยนทุกข์เป็นความรู้ข้างแล้วข้างเล่าเปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้ข้างเล้วข้างเล่าเปลี่ยนจิตเลดตืน้นหาเป็นเครื่องรู้เครื่องนั่นหลอยโลกมันก็เกิดความชํานานขึ้นมาจะเอ๋เกิดขึ้นตื่นจะขึ้นมาอาจจะประกอบได้เลยว่าตั้งแต่นี้ถอยคำว่าสุขคำว่ทุกข์เกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้วมันอาจจะมาจากนั้นได้สักวันหนึ่ง แต่มันเห็นของสติว่าอยาของความคิดที่ไม่ตั้งใจว่าอย่าสตาิตัวฉลาดต้องมีว่าจะหลอกไม่ได้อยู่แล้วให้ความคิดเป็นพาให้สุขมันหลอกไม่ได้อยู่แล้วให้ความคิดพาใทุกข์มันหลอกไม่ได้อยู่แล้วโปดจอกตัวเราแท้ๆดิ มีสตอยเนี่ยมันเห็นขึ้นมามันก็จหลอขึ้นมาก็มีอำนาจเป็นใหญ่แทนความปะเทือนความเป็นธรรมเกิดขึ้นตกายตใจ ใ, ใจจะรับความเป็นธรรมแล้วก็บอกผิดบอกถูกเปิดความรู้แจ้งขึ้นมาในเรื่องนี้จริง มันลู่แยงเห็นมาก็เพราะพอใทุกเสียได้พอใจการามเสียได้ก็ตไปถึงฌานสมาบัติมีปิติได้สุขเกิดจากเวกเวกส ม, มาสมาธิไปโน่นหรอต่อไปลู่หรอเสรกันไปโน่นหระตอนเชนี่มันไปโน่นหรอไปแล้วมันไปแล้วเข้า เข้าไขไปแล้วเข้าคลอดไปแล้วเข้าโอแกมไปแล้วเหมือนคอมพิวเตอร์ออกกดมันก็เข้าไปแล้วออกขึ้นไม่ได้แล้วถ้าดีก็ไปดีไปถูกต้องถ้าผิดก็ไปผิดแล้วมันไปแล้วผิดไปถูกกมผิดแล้วถูกไปถูกกมถูกแล้วสมมติทีนี้ไปแล้วไปถู่มักถูกผลแล้ว มิจฉาทิฏไปสู่อาบายแล้วมันไม่ใช่แบบประมาทได้เล่นๆมาได้ทดลองมาได้จิง ท, ที่เกิดกับกายกระใจเราเนี่ยเอาขึ้นมปได้เหมือนกับแขนตัดแขนแขนก็ขาดเลยตั ด, ดเนื้อมือเนื้อมือก็ขาดตัดขาขาก็ขาด ทุกข์มั น, ก, น, ก, น ก, ก, ก็ทุกข์แล้วสุขก็สุขไปแล้วเพราเรามีสติมันไม่เป็นไรนะั้นเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นองค์กรคงเส้นคงว่าวิธีปฏิบัติ ต, ตามครูสอนอดศรัทธาเรื่องนี้ขึ้นมามั่นใจแล้วไม่ต้องไปวังหาครูองค์ไหนคนไหนอยู่แล้ว ก็ครูเขาเนาะสอนเราหนิพุดธเจ้าสอ น, น, สอ น, นอเราหนิหลวงพ่อเถียนสนเราหนิหนังคู่เขียนเข้ามาคิดไปก็บมรู้จักตัวได้บทเรียนจากความผิดเยอะแยะความผิดก็เกิดจากกาจากใจเราเนี่ยความถูกก็เกิดขึ้นที่กาที่ใจเนี่ยถ้าปฏิบัติทำได้ความถูกจากความผิด ได้ปัญญาจากปัญหาแท้ๆน่ยไม่ใช่ไปจำใครมาเกิดปัญญาโลภรู้เดียงกออสังขารคือกายคือใจนี่เป็นปัญญาพุทธะไม่ใช่ปัญญาแบบเรียนรู้จำมายัางมีความโรยความโลภความหลงไม่จิตต์ัณหา อันความปัญญานี่เหมือนูวเกรมหมดบริสุทธิ์จทยจดจากเครื่องเศร้าหมองม่โลกโกรธหลงเป็นต้นก็มีค่าขึ้นมาแต่ก่อนไม่เห็นคุณค่าพอใจกับความหลงพอใจกับความโกรธพอใจกับความทุกข์เย กรธไม่ค่อยจะลืมข้ามบันข้ามคืนก็มีความลักก็หลงความโกรธก็หลงขอ <c oughs> งท่านนี้มันไม่เทีย่ยงยึดเอาเฉย น, าานั่งเฉนี่าของเราแม้แต่ลูกเมาเป็นของเรานามอามาเป็นของเราเรื่ความโกรธเป็นนามธรรม <c oughs> มันก็ไม่มีตัวไม่ตนอะไรแต่ไปยึดเอาทำตามมันทำตามความโกรธทำให้จิงวัตถุที่เป็นรูปเสียหายก็มีความร้ายความดีกลเป็นความร้ายแล้วความโกรธเกิดขึ้นกับใครล้วไม่เห็นความดีชึ่งกันละกันข้าพ่อก็ได้ข้าแม่ก็ได้ เป็นคนคนหนึ่งอยู่มุงลอยเอาเมียมาอยู่กับพ่อแล้วเมียอยู่บ้านตัวเองไปทําไร่ปู่ก็จงก็บ่นก็ไม่ใช่บ่นเลยหรอกสอนลูกสบายเล่นไปดีนี้ไปดี <c oughs> ลูกสบายก็โกรธให้ปู่ลูกสบา้โกรธให้ปู่ ขี่รถปูนชัยออกไปหาสามีที่ไรว่าปู่ดาสามีก็หลังทํางานน่หนําด ำ, คำเครียดอยู่แต่รับอารมณ์ไม่ดีก็ก็โกรธอย่างงุ่นแรงขือรถซ่อนกันมาฝ่ายเพื่อนลูกสองมามาถึงบ้านปูก็ น, นั่งหล่อถอกอยู่บนบ้านเดี๋ยวเพื่อนลูกสองขึ้นใส่ปู่ กูมือข่วนมาอย่ายิ้งอย่ายิ้งตอนกูลุกทรายก็ยิงกูถูกมือทะลุใส่หน้าผากล้มตายลงทันทีพอเห็นพ่อตายแล้วมันก็เปลี่ยนนะใหญ่ไม่เปลี่ยนนะทิ้งปืนวิ่งขึ้นบ้านไปกอดพ่อพ่อกูตายแล้วพ่อกูเจอเสียใหญ่อย่างรุนแรงเลยเจ็บจบพ่อเรียบร้อย วไปมอบตัวว่าง่าพ่อยิงพ่อตายติดคุก6ปีเฉ ย, ยจเอาขึ้นมาได้แล้วความโกรธไม่รู้อะไรทำตามมันถึงเป็นอารมณ์เฉยๆจับปืนมายิงพ่อก็ได้ความโกรธไม่กลัวนะเกลีจใจขเขาเหานั้ เาไม่สอนมันแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยจริงๆมีใจแท้จะเป็นพึ่งได้พึ่งไม่ได้เลยหิวไปนูน่นหิไปดีมาฝึกกรรมฐานกันแถน่ะนะให้ไยสอนใจกลับมานี่กลับมานี่หมันชิดไปกลับมากลับมากลัมาได้ทำดีทุกวินาทีเพียงพอ เลาเกิดมาสิปียี่สิบปีมาทำาชั่วโมงหนึ่งอาจจะเพียงพอนะกลับมารู้สึกตัวก็มารู้สึกตัวเนี่ยแม้ไม่ถึงที่สุดมันผลในผลก็ได้กระแสนะเคยลู่เคยลู่เมื่อคิดได้ขึ้นมาเคยหลงไปกับความคิดเกลับมารู้เนี่ยบางทีมันจนเข้ามาตกกระไดาษข้อกระโจนชวนเจะตายมันจะได้หลับขึ้นมา ไม่มืดแปดด้านถ้าเราไม่เคยฝึกก็ไม่เห็นทิศทางเลยเลยโบลาณท่านยังว่ามาฝึกสติชั่วชา่างสวัสดิหูแป๊บเดียวชั่วงูแลบลิ้นแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ยังมีอันนี้สง่งไม่ใช่ว่าไปโกรธแป๊บเดียวไปสุขไปทุกข์แป๊บเดียวมันไม่มีประโยชน์แต่รูปแป๊บเดียวเนี่ยมีคุ้มค่ามาก ยกเคลื่อนไหวไปมาให้รู้จักตัวเนี่ยให้สอนกายให้สอนจิตใจให้รักษาศินให้ทําสมาธิให้สร้างปัญญาซึ่งเป็นสิขาทําให้เกิดศินเกิดสมาธิเกิดปัญญาเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยสินจะเกิดขึ้นนี้เนี่ยเปลี่ยนทุกเป็นรู้ศินจะเกิดขึ้นแล้วเป็นกันหลังกันหลังจะโงอกขึ้นแล้วศินสมาธิปัญญา ถ้าเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงผู้จาบกลมหลงเป็นรูปเป็นร่างของศีลขึ้นมาแล้วศีลทําหน้าที่แล้วละความชั er. <mos across ilee> ่วแล้วท <mam> ําความดีแล้วถ้เห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์คนจับความทุกข์อย่างศีลเกิดขึ้นแล้วสมาธิเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วศีลกําจัดความชั่วสมาธิกําจัดความชั่วปัญญากําจัดความชั่วออกไปแล้วความชั่ว เห็นทุกไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นเจ้าความทุกข์มันจะเจริงขึ้นไปเห็นความแก่ไม่เป็นผู้แก่เห็นความเก็บไม่เป็นผู้เก็บเห็นความตายไม่เป็นผู้ตายไม่ได้ตายพ้มตายเรามารันเจงไปนะนี่มันก็เก้าไปอย่างนี้ปฏิบัติธําไปชู ก, กระแสแห่งพระนานแบบดีมันได้กระเสืออย่างนี้ไปชูช่างนั้นมาตั้งกระเสกันมาขีดเส้นให้ตัวเอง เดีคนมีเส้นก็นมีทางคนพบทางให้มันเห็นอย่างนี้หลังคําว่าเด็กเช่นคนนั่นเป็นช่วยคนนี้ช่วยไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีใครช่วยท่านได้เรื่องนี้ท่านต้องช่วยตัวเราเองเรามาตั้งสํานักมีเพื่อนมีครูบาอาจารย์ทำหน้าที่เป็นเพื่อน จะเป็นเพื่อนที่ดีไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบไม่ช้ำลายจะบอกผิดบอกถูกอย่างนี้เอาชีวิตเพลิเพลิใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตัวเราดอกตอนมีอะไรเกิดขึ้นจากสิ่งที่เลาทําให้เป็นสมบัติของโลกผิดตรงไหน แล้วอยู่อย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นของพวกเราทุกคนสุดคิ้นหนังวัตมเมทานหนังมาจากความบริสุทธิ์ของกิจใจของมนุษย์เวลาเข้าจิ้นก็มาจากความบริสุทธิ์สุดทิ้นนังไม่ไปป้นไปจี้ไม่ไปหลอกหลงนใครนี่คือ เกื้่ายของพุทธศาสนาที่เป็นน่จาจะว่าเราเป็นความยิ่งใหญ่เรารับมรดกจากพุทธเจ้าพุทธเจ้าประวัติขึ้นเพียงพระองค์เดียวแล้วก็เราก็ได้อันนี้สงในมาถึงพวกเราทุกคนดีมีข้าวจินมีบ้านอยู่มีเสื้อผ้านุ่งห่มมียารักษาโรค <c oughs> น, นี่คือคนที่เป็นคนดีเห็นคนค่าพอจะช่วยกันได้เาก็ช่วยเรามีคนอีกหลายคนที่ช่วยเราคี่จะช่วยเราหาที่ช่วยไม่มี หาที่จะช่วยไม่มีหวางคนก็คิดอย่างนี้ก็มีจะทำอะไรที่ไหนเนอะจะทำบุญทำประโยชน์อะไรที่ไหนนาะเเหคนผลนั้นงกาก็คิดให้นู้นคิดให้นี้เช่นมีคนหนึ่งมาจากภาคใต้ลูกสาวคนเล็กตาย คิดถึงลูกมากจะทำบนแบบไหนน้อดีคิดถึงลูกมีเงินมีทองที่หาเงินหาทองมานี่เพื่อจะให้ลูกลูกมาตายไปซะจะทำไงน้องบริสุทมเห็นพวกเราปลุกป่าที่รุย ลองพ่อกำลงังคุกขีเรื่องปลูกป่าสมัยสิบปีุ่นก็เลยผมจะทำบุญให้ลูกสาวผมจะมาปลูกป่าผมขอหลวงพ่อจากนี่ไปนี่จะปลูกป่าแต่ผมปลูกไม่ได้ผมไม่มีเวลาผมก็อายุมากผมให้หลวงพ่อเป็นผู้ปลูกผมให้ แหลงให้เงินค่าให้เงินให้ทองให้เงินหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปจ้างรถถอยยาคาป่าพงก่อนนี้เป็นตรงญ้าคาป่าพงไม่ค่อยมีเงินมงเมท อ, อ, องเราก็มือห้านิ้วเฉ็บนิ้วมองดูงานเขาหลอกกับมองดูต่อกลางที่ต่อสู้มันจะไปสู้ได้ไงป่าพงป่ายาคาเราไม่จอบเล็กเล็กเท่านี้ เขาให้เงินมาขายาา ป, ป, ป่าหญราบาปะพงป่าเดินหมไปทางนั่นเห็นป้ า, อ, านอ น, นั้นะอนุศน์อะไรอาจารย์นเป็นคนเขียนหน่าชื่นใหญ่ป่ า, ท, า, าที่ไหนย้ก็เมีก็ชิดจะให้ชื่อรถยนต์ให้คันหนึ่ง โตโยต้าที่เหมือนกันใช้อยู่นี้โอบปากให้นี่วันที่ห้านี่ก็จะมีคนเอารถมาให้อีกันนะครเขาสงสารพวกเรากเมียกำนันวอเดดวันที่ห้าพุ่งนี้เลยหนึนะ่นเนาะเห็นพวกเราที่อยู่ที่นี่เขาสงสารเราก็มาช่โจนผู้ร้อยคนที่มาอยู่ที่นี่บาระความชั่วมาทำความดี เออจึงมากันอย่ามาทำอะไรอืน่นถ้ามากำมาฐานมาที่นี่ทามาเล่นมาอะไรกันไหนยอย่ามาที่นี่บางทีเราก็ก็คุ้มของไม่ได้เอ็นฝรังพระฝรั่งอะไรอยู่เนี่ยก็หอบย้ามหอบกัโ ป, ป๋ไปไว้ผู้ก่อทองเขากลัวเขากลัวเขากลัวขโมยที่วัดนั้มีขโมย ก็มีนะเขากลัวขโมยก็าึกว่าพระนหลังจะมีเงินมีทองที่จียงไม่มีเขากลัวมากมาขออยู่วัดพูโคทองหลวงพ่คุ้มครองที่นี่ไม่มีขโมยไปพาไปอยู่หลังนี้ดีเอาไหมหลังนี้เอาไหมบางทีก็ทําให้เดือดร้อนก็มีเพราะนั่นนีงก็เอาไหมบางทีก็ ก็ต้องดูแลกันเองพวกเราพึ่งตัวเองอย่าไปเชื่อใครเชื่อทำคำสอนเนี่ยอย่าไปเชื่อคนอื่นไว้ใช่ทางเชื่อใช่ทางหวางใจคนมันก็ไม่ค่อยดีไม่รับวัดรัหวังของไม่คาในที่ไหนคนดีคนร้ายก็มีในโลกนี้นะเาธรรมดา เราไม่อยากให้มันอย่างนั้นเราก็สอนอยู่เนี่ยเป็นแต่คิดก็มันก็ไม่ทําแล้วมันจะไปทําความชั่วไดไงเรแต่คิดขึ้นมาก็ลู้นเาแก้ไขแล้วกวค็คิดไม่ใจคิดความชั่วเกิดจากความคิดความคิดเป็นตัวใหญ่เกิดเป็นจําเลยหมายเลขหนึ่งกลายเป็นเลยเลขสองวจาจเป็นจําเลยเลขสามจำเลยตัวหลอกมันคือจิดใจ เรามาเล่นงานเนี่ยมันคิดขึ้นมาลูกขึ้นมาเนี่ยไม่มันก็คิดขึ้นมาไม่ตั้งใจมันก็สกบกแล้วส ก, กปกแล้วได้แก้ไขแล้วได้ แ, แก้ความผิดเกิดจากความคิดนี่มันมันเป็นต้นตอของความชั่วของบาป ท, ที่จุดเรามันจะไปทําความชั่วได้ไง ทุกคนมาเจ้าตรงนี้ร่วมกันให้มันเกิดความดีขึ้นมาเป็นคนคนเดียวกันรู้จักตัวรู้จักตัวเนาะอัะนนี้การสังนใจเวลาเนาะกาพเพาอลกัน